บิดาตามหายาสากุลบุตรข้อ27ครั้นรุ่งเช้ามารดาขึ้นไปบนปราศาทไม่พบยาสากุลบุตรจึงเข้าไปหาเศรษฐีข้าบดีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีข้าบดีดังนี้ว่าท่านข้าบดีเจ้าข้ายาสับุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีข้าบดีส่งพูดขี่ม้าไปตามหาทั้งสีทิศแล้ว ส่วนตนเองไปยังป่าอิศิปัตนะมฤคทายวันได้พบรองเท้าทองวางอยู่จึงตามไปยังที่นั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีข้าบดีเดินมาแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงมีพระดาริว่าถ้ากรรไรเราพึงบันดาลอิทธาพิสังขารการบันดาลทางฤทธิให้เศรษฐีข้าบดีผู้นั่งที่นี้ไม่เห็นยะสักกุลบุตร นั่งอยู่ที่นั่นจึงทรงบรรดาลกินทานพิสังขารเช่นนั้นลำดับนั้นเศรษฐีข้าบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงพบยสะกุรบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดี เชิญท่านนั่งลงก่อนเถิดบางทีท่านนั่งที่นี่แล้วจะพึงพบย ะ, ะกุลบุตรนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้เศรษฐีข้าบดีร่าเริงเบิกบานใจว่าได้ยินว่าเราลั่งที่นี้จะพบย ะ, ะกุลบุตรผู้นั่งอยู่ที่นี่จึงถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุภุพิกถาคือทรงประกาศหนึ่งทานกาถา 2. ส, สินกถาสาสัขขกคาถา 4. กามาทีนวะกถา 5. เนคขมานิสังสักถาแก่เศรษฐีข้าบดีผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วเมื่อทรงทราบว่าเศรษฐีข้าบดีมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวร์เบิกบานผองใสจึงทรงประกาศสามุสกสังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือทุกสมุทัยนิโรธมักทำจากสูอันปราศจากทุรีปราศจากมณทินได้เกิดแก่เศรษฐีผู้ค่าบดีณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมณทินควรรับน้ำยอมได้เป็นอย่างดีเศรษฐีค่าบดีได้เห็นธรรมแล้ว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 พูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเศรษฐีข้าบดีนี้แหลได้เป็นเตวาจิกะอุบาสกผู้กล่าวถึงรัตนะทั้งสามว่าเป็นสรณะเป็นคนแรกในโลก